บุ๊ก <Book> 2สองสองสมาชิกครอบครัวตู่ตาดิดูสย่ายายบบูส เขาและเธอวินอ <How> ีโวนาพ่อบั о ชกแม่มัตเขาและเธอวินอวนาลูกชายสิน ลูกสาวดชกาเขาและเธอวินอีวอนาพี่ชายน้องชายบรัทพี่สาวน้องสาว ส, สตร้าเขาและเธอ วิน伊วนาลุงอานาดยัตโกป้าอานาทีตกาเขาและเธอวิน伊วนาเราเป็นครอบครัวเดียวกัน มซิมยาครอบครัวที่ไม่เล็กซิมยาเนมเลนยครอบครัวใหญ่ซิมยาวลลกา